ช่วงนิสงบใจการสงบใจน้อมจิตพิจรารณาว่าขณะนี้เราน้อมกาย น้อมใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณครองพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิปฏิปฏบูชาเมื่อเรานอบน้อมเอาคุณพระทนไตรย มาตั้งอยู่ในดวงจิตแล้วก็น้อมจิตพิจารณาดูกายว่าขณะนี้เราเอากายบูชาคุณประทนาไตรลักษณะวางมือวางเท้ามีลักษณะอย่างนี้ นี่ลักษณะของสมาธิมือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายหรือเรานั่งปับเพียบหรือเรานั่งเก้าอี้หลับตาพอเยื่อหนังตาชนกัน น้อมจิตพิจารณาโดตั้งแต่ศีรษะตามลำตัวและลักษณะวางมือวางเท้าหรือเรานั่งเก้าอี้เมื่อเราน้อมจิตโดว่าขณะนี้กายสงบ แล้วก็น้อมจิตมาตั้งไว้ที่ฐานลมประคองจิตอยู่ที่ปลายจมกูกแล้วประคองจิตลลอยู่กับลมลมหายใจเข้าโพลมหายใจออกโท ลมหายใจเข้าพุธลมหายใจออกธทลมหายใจเข้าโพุธลมหายใจออกธทนี่เราพลากิจเอามาตั้งทิฏฐานลม เอาลมเป็นฐานของจิตละอจิตให้ตั้งอยู่กับฐานลมจิตเราได้มีเครื่องโลถ้าเรามีสติสัมปชัญญะประคองจิตตนเองตามโลลมหายใจเข้าขณะเดน หายใจออกขณะหนึ่งหายใจเข้าขณะหนึ่งหายใจออกขณะหนึ่งนี่เป็นอุบายเป็นอุบายให้จิตเราอยู่กับลมเมื่อจิตเราตั้งอยู่กับลมจิตเราก็เห็นลมตนเองลมผ่านเข้า ลมผ่านออกลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็โลหายใจเบาก็โลหายใจสั้นก็โลหายใจลึกๆ ก, ก็โ ล, ห, ล, ล, กกโลหรือกระแสจิตไม่อยู่ เราพลาจิตมาตั้งพอเพลศ ต, ะติจิตเราก็ออกพลากจิตมาตั้งเพลศ ต, ติเราก็ออกนี่เราก็หาอุบายสอนใจตนเองสอนใจตนเองว่าขณะ น, นี้เราให้ใจพักอยู่กับพุทธโธให้ใจเราได้สงบ ให้ใจเราได้พักเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนคิดนึกเอาไว้ก่อนหน้าที่การงานเอาไว้ก่อนจะมาเพล่งปลงใจให้ใจอยู่กับพุทธโธไว้นี่เป็นอุบายสอนใจถ้าใจคอยไหลออกไปคิดนึกก็โลละกัละ เราก็พากจิตมาอยู่กับพุทธโธม่เนี่ยทำความเพียรชอบเพียรยกจิตมาตั้งไวท้ที่ฐานองค์ภาวนาฉะนั้นองค์ภาวนาเป็นอุบายสกัดกัน้นกระแสจิตเ่าที่คิดนึกฉนั้นกระแสจิตเราอยู่กับความคิดความนึก แล้วก็ความปรุงแต่งนี่มันเป็นตัวเจตสิกทำให้จิตเราไม่อยู่ในกายแต่ขณะ น, นี้เรามีปัญญาหาอุบายให้จิตตนเองอยู่กับลมเข้าให้จิตตนเองอยู่กับลมออกหายใจเข้าโพหายใจออก ทอ <intent>? หายใจเข้าพดหายใจออกทอหายใจเข้าพดหายใจออกทอหายใจเข้าพดหายใจออก ทเราพราจิตให้อยู่กับพุทธโธเราฝึกหัดจนให้พุทธโธเกิดในจิต<ม>กระแสจิตอยู่ในพุทธโธพุทธโธก็อยู่ในจิตนี้กระแสจิตเราจะตัดกระแสอารมณ์ทุกขณะอันนี้บางครั้งเราต้องให้สังเกต ในกระแสจิตเราอยู่กับพุทธโธถ้าเราไม่มีสติกล้ขมกระแสจิตเริ่มสงบแต่ขาดสติใจหนึ่งว่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธอีกดวงหนึ่งซึมอีกดวงหนึ่งเคลิมอีกดวงหนึ่ง เพลินอารมณ์นี่กระแสจิตเราเริ่มสงบแต่กลายเป็นตัวถิน่นมิตะเขาสกัดกั้นไม่ให้ใจเรารวมตัวนี่มันเป็นกิเลสมานมานคือกิเลสเราก็ต้องโลว่าขณะนี้จิตเราซึมจิตเราเพลิน เราให้รู้ตัวไว้ถ้าเราให้รู้สึกอารมณ์ว่าอารมณ์กระแสตัวที่นิมิตะไหลเข้ามาเราก็โลแล้วหาอุบายพิจารณากายให้มากๆที่พิจารณากายเนี่ยเพื่อให้จิตเรามีมีความรู้สึก เมืนกระแสจิตเราพอเริ่มสงบไปอยู่กับเพลินกระแสเพลินกระแสซึมกระแสตัวทินิมิทะครอบงำใจนิจใ่ใจเราไม่เกิดปัญญาใจแล้วก็เพลินอารมณ์พอเพลินอารมณ์ความรู้สึกกายไม่มี ความรู้สึกอารมณ์ก็ไม่มีกระแสนิวรนนี้เข้ามาสกัดกันก น, นี่เราก็ต้องโลวไว้อพอโลวไว้เราก็ลืมตามลืมตาแต่อากาวาสึกเข้าสู่ข้างในนี่เป็นอุบายแก้อารมณ์ พราะการปฏิบัติคือเราแก้อารมณ์ที่มันเกิดเวลาคิดมากเราก็แก้อารมณ์เวลาง่วงเราก็แก้อารมณ์เมื่อเราแก้ตัวนั้นคือตัวปฏิบัติถ้าเราไม่แก้เราก็ไม่ข้ามอารมณ์งั้นสภาวะจิตเนี่ย <c oughs> มันมีสอง อารมณ์ที่ลบกวนใจพอเลิกจากคิดมากก็มาง่วงเพลพอจิตเราเริ่มจากง่วงก็มาคิดมากเลิกจากคิดมากก็มาง่วงนี่สองอารมณ์จะกวนใจตลอดฉะนั้นอุบายคําสอนพุทธเจา้าเมื่อ ง, ง่วงลืมตา ลืมตามไม่หายก็พิจณาพิจณาตั้งแต่ศรีรษะตามลาตัวถึงปลายเท้าพิจณาตั้งแต่ปลายเท้ามาตามลาตัวถึงศีรษะให้จิตเรามีการเคลื่อนไหวพิจณาไม่หาย <c oughs> ก็หาอุบายหาอุบายอย่างอื่น การหาอุบายเนี่ยทำให้จิตเราได้ข้ามอารมณ์หรือบางครั้งออกไปเอาน้ำโลหนาให้มีความรู้สึกไวนี่เป็นอุบายแก้ตัวความง่เงาเหาหนอนหรือความโป่งสานความโุ่งสานเกิด เราต้องยกจิตใจให้เกิดศรัทธาไวการยกจิตใจก็หมายความว่าเราน้อมจิตมาพิจารณาว่าเราเกิดมามาเจอคำสอนของบพุทธเจ้าเรามีศรัทธามาประพฤติปฏิบัติถือว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐ ว่าเราเกิดมามีบุญแล้วมีคำสอนของพุทธเจ้ามีคำสอนของพ่อแม่แนะนำให้เราได้มีศรัทธาในธรรมบุทธศตตนาก็ถือว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐนิสอนใจนิทำให้ใจมีกำลังพอใจเรามีกำลัง ทำให้ความบุ้งบ้านก็คลายลงไปนี้เราก็ให้ใจมาอยู่กับภาวนาให้ถีขึ้นเอากระแสะองค์ภาวนาให้ถีหายใจเข้าโพหายใจออกโอหายใจเข้าโพหายใจออกโอ หายใจเข้าโพหายใจออกทหายใจเข้าโพหายใจออกทหายใจเข้าโพหายใจออกทเพราะองค์บริกรรม เป็นอุบายสกัดกั้นอารมณ์นี่เราสังเกตดูใจใจเราถ้าไม่มีโภนาใจอยู่ที่ไหนกระแสะใจไหลไปคิดไปนึกไปตามอารมณ์เขาเรียกว่าอติตาลม์อนาคตาลม อาติตาลมก็หมายความมะอารมณ์เก่ า, าเราก็เอามานั่งคิดเดินคิดยืนคิดแล้วก็นอนคิดนิจใจสภาวะของปุถุชนใจมนุษย์เราจะคิดอยู่เงี้ย คิดของเก่าๆหรือบางครั้งก็คิดของใหม่ๆที่ยังไม่ถึงว่าสิ่งนั้นต้องทำอย่างนั้นสิ่งนี้ต้องทำอย่างนี้คิดอดีตอนาคตไปแต่ที่เราคิดแต่บางครั้งก็ทำไม่ได้ เมื่อทำไม่ได้บางครั้งก็ผิดหวังเท่นพ่อแม่มีความคิดว่าอยากให้ลูกเรียนมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์แต่ผลที่สุดลูกก็ว่ายากสอนอยากพ่อแม่ก็ผิดหวัง นี่พ่อแม่เนี่ยคิดได้แต่โลกทำไม่ได้นิจัยมนุษย์เราคิดความเป็นพ่อแม่ก็คิดถึงโลกถึงครอบครัวถึงหน้าที่และการงานนี่กระแสจิตเราจะล่องลอยอยู่อย่างเนี้ยทั้งวันทั้งคืนคิดมาตั้งแต่เด็ก ยันโตยันแก่เท่าจะ่ากระแสอารมณ์ล่านี้จะครอบงำแล้วก็ปิดบังอยู่อย่างเนี้ยแต่อุบายพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่พทธเจ้าสอนให้กิดให้คิดตกอยู่ในท้ำกลางคือปัจจุบันอดีตก็ไม่คิดอนาคตก็ไม่คิด แต่ให้คิดในถ้ำกลางคือปัจจุบันปัจจุบันนี้นั่งอยว่าช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงให้เราได้พักเอากายพักแต่ขณะนี้เอาใจมาพักนี่ให้ใจอยู่กับพุทธโธคือ นี้กระแสใจถ้าอยู่กับพุโทโธก็เป็นผู้รล้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานนี้ถ้ากระแสจิตอยู่กับลมเข้ากระแสจิตอยู่กับลมออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าโพธหายใจออกโธหายใจเข้าโพธใช้ใจออกโทหายใจเข้าโพธหายใจออกโธนี่กระแสจิตเริ่มรวมตัวเป็นเอก็ตาขึ้นมา นี่ทำให้กระแสจิตเกิดปัญญาอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากกระแสจิตเป็นเอกตาลมเป็นหนึ่งนี้อารมณ์ธรรมก็จะไหลเข้ามา อ, มอารมณ์ธรรมก็หมายความว่ามีวิตกวิจารปีติแล้วก็สุข แล้วก็เอกคตาถ้ากระแสองค์ธรรมเหล่านี้ไหลเข้ามาสู่ใจเนี่ยใจจะปลื้มใจใจจะดีใจใจก็จะสุขใจนี่มันเป็นอารมณ์ธรรมะเป็นอารมณ์พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่พระเจ้าสอนว่าใจเข้าถึงธรรม ความง่วงก็ดับความคิดมากก็ดับนสองอารมณ์ที่ลังจิตเราไปไปคลองแต่ถ้าใจเราสงบแล้วสองอารมณ์นี้ก็จะดับพอดับแล้วอารมณ์พุทธโธก็จะปรากฏอารมณ์พุทธโธก็โล้ขึ้นมา กระแสจิตรู้อะไรกระแสจิตนี่จะมีความรู้กาย<ม>กายเป็นอะไรกายปวด<ม>ตอนนี้นั่งโภนาอยู่ขัดสมาธิขาเริ่มปวดตอนนี้เรานั่งพระเพียบ ทางก้นกบก็เริ่มปวดหรือขณะนี้เรานั่งเก้าอี้ก้นกบเริ่มปวดจิตที่รู้กายก็เรียกว่าเกิดความรู้กายขึ้นมากายในกายมันปรากฏบางครั้งปวดขาบ้างบางครั้งปวด หลังบ้างบางครั้งปวดแขนบ้างบางครั้งปวดศีรษะบ้างบางครั้งปวดตาบ้างเพราะสภาวะทุกตัวนี้มันปรากฏในจิตเราก็โล่โล่แรงเกิดความรู้ขึ้นมาเมื่อเกิดความรู่ขึ้นมา แต่กระแสจิตเราทางทั้งที่เราให้สงบอยู่กับพุทธโธแต่เวลาปวดเวลากระแสกายมันปวดขึ้นมาจิตก็ไปอยู่กับปวดไม่อยู่กับพุทธโธสุแล้วนี่กระแสจิตไปเสวยความทุกข์ กลัวโรคกายนะกระแสจิตนี่จะกลัวโรปกายตนเองอว่ากลัวขาจะปวดมากกลัวหลังจะปวดมากกลัวแขนจะปวดมานี่กระแสจิตก็ประสวยกเขาเรียกว่า ทุกขเวทนานี่เราใช้ปัญญาพิจารณาความปวดติดแท้จริงเกิดทางกายหรือเกิดทางใจนี่เราใช้ปัญญาเด้ mm hmm. เมื่อเราพิจารณาโดเออถ้าปวดทางกายเราพรากใจออกจากความปวด เอาใจอยู่กับลมนิ่งๆให้กระแสจิตตนเองอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกให้กระแสจิตนิ่งอยู่กับองค์บริกรรมเมื่อกระแสจิต คนเคยก็อยู่กับองค์บริกรรมนิ่งอยู่กับบริกรรมสงบอยู่กับบริกรรมความปวดทางกายก็ดับนี้จิตเราเกิดปัญญาอ๋อปวดที่แท้จริงเขาเป็นทางกายแต่เจ้าจิตเขาไปยึดกายจิตเขาก็ไม่ได้ เจ็บที่แท้จริงเขาเจ็บทางกายปวดทางกายแต่เจ้าจิตเขาเกิดอุปาทานเข้าไปยึดว่าขาเราปวดแขนเราปวดหลังเราปวดตาเราปวดหูเราปวดเมื่อเราใช้ปัญญาตัวพุทโธตัวนี้ให้เกิดขึ้น อนนีจิตเราก็เกิดปัญญาจิตเกิดปัญญาอ่าความปวดที่แท้จริงเขาเป็นทางกายนี่ส่วนใจล่ะส่วนใจนี่เป็นตัวรับรู้อารมณ์ทต่นั้นเองเป็นธรรมอารมณ์อารมณ์เขาเกิดรับรู้แล้วเขาก็ไปยึด น, นี่เมื่อเราพลากจิตตนเอง ให้อยู่กับพุโทโธธรรมโมสังโคคือให้กระแสจิตเราอยู่กับตัวโลพุโทโธนี่แปลว่าเป็นผู้โลนะเรารู้พอรู้ว่าทุกข์แล้วก็รู้ว่าทุกข์แต่ไม่ให้จิตไปอยู่กับทุกข์ ให้เราทุกข์ละทุกข์และพลากจิตให้มาอยู่กับความสงอบให้มากขึ้นประคองจิตนิ่งๆให้อยู่กับองค์บริกรรมให้ถี่ขึ้นหายใจเข้าโพหายใจออกทอหายใจเข้าโพ หายใจออกโทหายใจเข้าออโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าออโพธิ์หายใจออกโทถ้ากระแสจิตอยู่กับพุทโธ่พุทโธพุทโธเป็นอารมณ์แม่แส้สายออกไป เวทนาทางกายดับสุขเวทนาปรากฏนีก่กระแสจิตของตนเองได้สัมผัสอารมณ์ของปีติปีติขณะหนึ่งหรือปีติทราบสาน หรือเป็นปีติเป็นพักๆหรือปีติน้ำตาไหลถ้ากระแสะองค์ธรรมนี้ปรากฏความโปวดความมื่ยกระดับเพราะกระแสะจิตเราประโยู่กออารมณ์พุทโธธรรมโมสังโฆ พุโทโธก็ปรากฏเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็แสจิตนี้จะเบิกบานใจอิ่ม อ, อกแล้วก็อิ่มใจนั้นสภาวะอารมณ์เหล่านี้เราต้องหาอุบายให้จิตอยู่กับพุโทโธให้มากขึ้น สภาวธรรมเหล่านี้จะได้ปรากฏนี้ขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเราก็ต่อสู้กับข้าศึกข้าศึกคือนิวรณ์นิวรณ์เป็นตัวกั้นขวางแม้จิตเราข้ามอารมณ์เราสังเกตดูใจเราสิวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ย นิวรณครอบงามใจตลอดเลยเราสังเกตดูใจตนเองไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคิดทั้งวันนึกทั้งวันปรุงแต่งทั้งวันนั้นความคิดความนึกความปรุงแต่งนี้มันเป็นตัวเจติติกทําให้ ลังกระแสจิตออกจากกายไปไม่อยู่อายตนะภายในไปอยู่ที่ไหนไปอยู่อายตนะภายนอกกระแสจิตเราโครจรไปอยู่ตามโลกตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามผพิตภัตามธรรมารม และกระแสะเหล่านั้นก็เป็นบ่อเกิดของอารมณ์และกระแสะอารมณ์นั้นก็ไหลามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและไปจับใจนี้กระแสะใจเป็นอะไรกระแสะใจก็มีมวลทินของใจโลภะโปร่งแต่ง ความโกรธปรุงแต่งความหลงก็ปุงแต่งนี่อะไรอารมณ์รนี้ไหลเข้ามาฉาบทา น, นี่ใจเป็นอะไรใจก็เศร้าหมองใจก็ุ่นมัวใจก็น้อยใจเสียใจแห้งเหือดใจลั่นทมใจโตกะปริเทวทุกขโทมนัน้ อารมณ์เหล่านี้ก็ไหลเข้ามาฉาบทานั้นสภาวะใจเลยตกเป็นธาตุอายตนะภายนอกไปฉะนั้นขณนะที่เราสงบใจเราดูใจตนเองไว้ถ้าใจไม่สงบโผนาให้ทีขึ้นหายใจเข้าโพธหายใจออก ทอหายใจเข้าโพธหายใจออกโทหายใจเข้าโพธหายใจออกโทหายใจเข้าโพธหายใจออกโท ลักษณะภาวนามีสติลักษณะภาวนาไม่มีสติลักษณะภาวนามีส ต, าาสติคือประคองจิตโลหายใจเข้าขณะหนึ่งโลหายใจออกขณะหนึ่งโลหายใจเข้าขณะหนึ่ง เราหายใจออกขณะเด่มีสติและดูสภาวะที่มันปรากฏสภาวะกายมีลักษณะอย่างไรเนี่ยเราต้องให้มีตัวสติสัมปชัญญะกายเรายังนั่งตรงอยู่ไม่เอน็นไม่สับไม่โยกในส่วนกาย โซนอารมณ์ก็ชัดขึ้นชัดขึ้นอารมณ์ละเอียดขึ้นอารมณ์เบาขึ้นเราก็รู้ทุกข์นเนะนี่ยมีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกนิพพานาไม่มีสติใจนึกว่าพุทธโธพุทธโธดวงหนึ่งก็คิดไป ดวงหนึ่งก็เคลิมไปดวงหนึ่งก็เพลินไปไม่รู้ว่ากระแสจิตอยู่ที่ไหนทำให้กระแสจิตตกอยู่ตัวโมหะไม่รู้จิตเป็นอะไรกายก็ไม่มีความรู้สึกอารมณ์ก็ไม่มีความรู้สึกลักษณะนี้ไม่มีสติสัมปชัญญะ ภาวนาไปด้วยโมหะหลงอารมณ์ถูกกระแสอารมณ์ครอบงำใจทำให้ใจเป็นทาสของอารมณ์นี้ลักษณะเป็นลักษณะของตัวโมหะงั้นการภาวนาเราต้องให้มีสติสัมปชัญญะหยาบก็รู้ว่าหยาบ ละเอียดก็โลว่าละเอียดภายในก็ตามภายนอกก็ตามภายในก็สภาวะอารมณ์อารมณ์ใจสงบก็โลไม่สงบก็โลเบาก็โลหยาบก็โลละเอียดก็โลนี่ภายใน ภายนอกภายนอกมือเท้าอยู่ท่าเดิมก็โลขยับเราปวดเมื่อยเราพลิกไปทางซ้ายครั้งหนึ่งพลิกไปทางขวาครั้งหนึ่งหรือเราขยับคลายอารม คลายอารมณ์ความปวดฉะนั้นอิริยาบถเนี่ยแปลว่าผ่อนคลายเวลานั่งนานมันก็ปวดแล้วก็ผ่อนคลายปวดทางซ้ายพลิกไปทางขวาแล้วปวดทางขวาพลิกมาทางซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่าผ่อนคลายกระแสะความปวด พรร่างกายเรานั่งนานก็ปวดเดินนานก็ปวดยืนนานก็ปวดนอนนานก็ปวดเพราะร่างกายนี้เป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์เมื่อความทุกข์ปรากฏเราก็ผ่อนคลายไปก่อนแต่เมื่อกระแสจิต เป็นเอกตาจิตแล้วเนี่ยปวดมันจะดับพอกระแสจิตสงบขณะหนึ่งขณะหนึ่งอขณะหนึ่งขณะหนึ่งก็เป็นคณิกะสมาธิชั่วขณะหนึ่งหรือกระแสจิตสงบได้นานขึ้นอเป็นอุปจาร เป็นอุปจารเป็นอัปปนาปรากฏเนี่ยปวดเบาดนียความปวดทางกายจะดับเพราะกระแสธรรมะมันปรากฏจิตก็ล่าเริงล่าเริงอารมณ์ฝ่ายบุญกุศลมันปรากฏจิตมันก็ล่าเริงลืมความทุกข์กระแสจิตไปเสวย ความสุขเขาเรียกว่าสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติเป็นสุขกระแสจิตก็ติดสุขอีกแล้วแต่สุขอันนี้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นาน น, นี่เราก็พิจารณาอีกเมื่อเราพิจารณา ทำให้จิตตนเองไปเสวยอารมณ์ความสุขที่มันปรากฏถ้ากระแสอารมณ์นี้มันปรากฏแล้วเนความทุกข์ก็จะดับความทุกข์ดับความสุขเกิดขึ้นความสุขดับความทุกข์เกิดขึ้นความไม่ทุก ความไม่สกปรากฏหรือบางครั้งก็เฉยที่กระแสจิตเฉยโลแล้วก็เฉยไม่โลอีกถ้ากระแสจิตเฉยโลเ้าเรียกว่ามีสติมีสติกสมาธิพอๆกัน และความรู้สึกกายก็ชัดอารมณ์ก็ชัดเวลาเรานั่งภาวนาเนี่ยกายก็ชัดอารมณ์ก็ชัดแต่ถ้ากระแสจิตสงบแต่ไม่รู้นี่กระแสจิตเราตกเป็นท่านของตัวโมหะไป งั้นเราต้องเจริญสติสติในที่นี้คือหมายความว่าให้เป็นมหาสติเราฝึกหัดจิตตนเองให้ทันทางกายกายยะขยับเราจะขยับมือให้มีสติสัมปชัญญะ เราจะขยับเท้าให้มีสติเราจะหลับตาให้มีสติอย่าลืมตาให้มีสติอยากลืนน้ำลายให้มีสติเราจะโคก็โลจะเย็ยดก็โลก้มก็โล เงยก็โลถ้าเราฝึกหัดอย่างเงี้ยตัวสติจะคล่องตัวก็เรียกว่าเป็นมหาสติทันทางกายฉะนั้นสภาวะของกายนี่มันเป็นอารมณ์หยาบแต่อารมณ์ทางใจเป็นอารมณ์ละเอียดถ้ากระแสจิตไม่เป็นหนึ่ง ก็แสจิตจะไม่เห็นอารมณ์เราสังเกต ด, ดูใจสิใจเนี่ยคิดมีนึกมีปรุงแต่งมีตัวคิดตัวนึกเนี่ยมีตลอดแต่ตัวู้ไม่มีจิตที่จะเข้าไปรู้อารมณ์ไม่มี ตอนนี้เมื่อเรามาสงบจิตตนเองให้จิตอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอันนี้พอจิตอยู่กับพุทโธขึ้นอันนี้จิตเห็นอารมณ์ใจแนละ้ว เห็นอารมณ์ใจตนเองนี <divorce> món, <Bailey> Entonces, ่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยคิดทั้งวันเลยแมนจะหลับก็คิดขวัเรื่องโน้นขวัเรื่องนี้จิตจะเกิดปัญญาเห็นสภาวะอารมณ์จิตของตนเองโถกลงแต่งทั้งวันทั้งคืนเลย นี้จิตเราจะเกิดปัญญาแล้วเห็นอารมณ์ใจตนเองเราก็สอนใจแหละสอนใจตนเองว่าเราคิดเราคิดมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยอารมณ์ก็ยังหงุดหงิดยังเดิมปุ้งซ่านยังเดิม น้อยใจอย่างเดิมเสียใจอย่างเดิมลองเปลี่ยนอารมณ์ความคิดใหม่ให้ใจมาคิดอยู่กับลมหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหาย ใ, ใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออก ทอหายใจเข้าโพหายใจออกทอหายใจเข้าโพหายใจออกทอเมื่อเรามาเปลี่ยนความคิดใหม่หายใจคิดพุทธโธธรรมโมสังโฆ พอใจเราคิดอยู่กับพุทธโทธรามโมสังโฆใจเราคลายอารมณ์แล้วสบายใจอิ่มใจแล้วก็สุขใจนี่ทำให้ใจเราเปลี่ยนอารมณ์ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนความคิดให้จิตเรามาคิดถึงคุณพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้านี่เขาเรียกว่าเอาพุทธโทรธธรรมโมสังโฆมาชำระดวงจิตเอาน้ำพระธรรมคำสอนขบุญเจ้ามาชะโมใจเมื่อเราล้อนกายอาบน้ำเหนียวตัวก็หาย ความร้อนมันก็ดับไปเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ร้อนใหม่แล้วก็อาบน้ำความรู้สึกกายก็แกล่งตัวมีความรู้สึกนี่สภาวะจิตละ่ะสภาวะจิตที่ร้อน ทพระเจ้ากลัดว่าจักขูเป็นของร้อนโสตะเป็นของร้อนทิวหาเป็นของร้อนใจร้อนแล้วจะเอาลายดับเราเอาพุทธโธธรรมโมสังโฆเอาความสงบให้เกิดขึ้นในดวงจิตตนเองไว้ถ้ากระแสจิต มีอารมณ์พุโทโธปรากฏอารมณ์ก็เย็นลกคิดมากก็คิดน้อยง่วงมากก็ง่วงน้อยงุดหงิดมากก็งุดหงิดน้อยลังเลสงสัยมากก็ลังเลสงสัยน้อยลงไปนี่มันเป็นสภาวะอารมณ์ธรรมะ ที่จะไหลเข้ามาสู่ดวงใจฉะนั้นน้อมใจพิจารณาโดโดว่าขณะนี้มือเท้าอยู่ในท่าเดิมก็โลหรือเราเปลี่ยนียาบทไปครั้งหนึ่งสองครั้งก็โลหรือเราขยับ สครั้งสามครั้งหรือไม่ได้ขยับถ้าเราไม่ได้ขยับเราก็ทําความรู้สึกว่าเรามีความอดทนเป็นดับบะมีขันติบรารมีขันติอุปปารามีขันติปรามาทัปปารามีเกิดขึ้นเราไม่ได้ขยับหรือเราขยับครั้งหนึ่งผ่อนคลายทุก หรือเราขยับสองครั้งสามครั้งเราก็ทำความโลเราก็น้อมจิตมาตั้งความรู้สึกไว้ที่มือทั้งสองข้างมือเท้าอยู่ในท่าเดิมก็โลเราก็น้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวาเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวา น้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกไปวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือเป็นบอกบัวโตมนึกถึงที่เราสงบกายให้กายเป็นบุญที่เราสงบใจให้ใจเป็นบุญเกิดขึ้น อำนาจบุญกุศลอันนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมขอให้เราไม่ได้มีดวงตายิ่งทำคำสอนของบุตรจามอำ น, นาจบุญกุศลที่เราสงบกายสงบใจให้เป็นบุญเกิดขึ้นแผ่ไปให้บุปการีคือคุณบิดามันดาคุณโป่คุณญาคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ไหนมีทุก ก็ขอให้พ้นจากทุกที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอํานาจบุญกุศลที่เราสงบกายสงบใจให้เป็นบุญเกิดขึ้นแผ่ไปให้เจ้ากรรมในเวรที่เราเคยสบประมาทพาลาดพลั้งด้วยกายศบประมาทพาลาดพลั้งด้วยวาจาศบประมาทพลาั้งไปด้วยใจก็ ข, ขอเป็นอาโหสิ ก, กรรมซึ่งกันและกัน ที่ไหนมีทุกก็ขอยพ้นจากทุกที่ไหนมีสุขขอยสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ก้มศีรษะลงคลายออกจากสมาธิภาวนา